บรรยากาศดีบรรยากาศดีมีเวลาเวลามีคุณค่าธรรมะมีคุณค่าเมื่อมีโอกาสเราควรจะให้ความสำคัญกับธรร ม, มะข้าสูด่ดิตใจเท่าที่จะทําได้สุดความสามารถของใครของเราก็แล้วกัน ธรรมะเป็นเครื่องคับจุนโลกธรรมะเป็นเครื่องพยุงโลกโลกนี้ถ้าไม่มีธรรมะลุกเป็นไฟเพราะสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดกิเลสนำความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายภัยพิบัติสารพัด ท, ทั้งหลายทั้งปวงมาจากเหตุคือกิเลส กิเเป็นเหตุทั้งนั้นตรงกันข้ามกับธรรมะธรรมะให้ความสุขความเจริญความสุขที่แท้จริงความเจริญที่แท้จริงเกิดขึ้นจากธรรมะเป็นเหตุมนุษย์ก็ตามสัตว์ก็ตามปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์เวลาความทุกข์เกิดในหัวใจของเรา เรารู้สึกยังไงเราก็เหมือนกันเขาก็เหมือนกันไม่มีใครปรารถนาความสุขกับ ค, ความทุกข์ต่างปรารถนาความสุขความเจริญด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราควรให้ความสำคัญามมากับธรรมะให้ความสำคัญเท่ากับชีวิตของเราก็ได้ชีวิตของเรามีความจาเป็น ด้วยข้าวปลาอาหารเพื่อไปหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายให้อยู่ได้มีกําลังวังชาทำภาระทําภาร ก, กิจใหญ่น้อยได้มีความสําคัญต่อใใหัวใจของเราอย่างไรธรรมะก็มีความสําคัญต่อหัวใจคือใจเป็นอาหารของใจได้เช่นเดียวกัน แท่ที่จริงใจเป็นนายกายเป็นเบาใจที่มีธรรมสามารถปกป้องคุ้มครองใจให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ใจที่มีธรรมสามารถทำให้ใจมองเห็นกายเป็นเป็นธรรมได้มองเห็นกายเป็นสัจจธรรมได้ ไม่หลงงมงายกับกายเรากายท่านและสิ่งที่เนื่องด้วยกายของใช้ไม่สอยเพื่อประดับประดาทั้งหลายทั้งปวงให้ความสำคัญบางทีให้ความสำคัญันยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานอุปาทานในสิ่งของที่เนื่องด้วยกายอุปาทานในสิ่งที่เป็นกาย ดูจากว่าใจไม่มีธรรมใจไม่เป็นถรรแต่ถ้าใจเป็นธรรมแล้วใจก็ปล่อยสิ่งที่เป็นกายสิ่งที่เนื่องเป็นกายจิตใจก็มีความสุขจิตใจไม่มีความสุขเพราะจิตใจไปยึดยึดอะไรก็ผิดหวังกับสิ่งนั้นยึดกายก็ผิดหวังกับกายยึดสิ่งที่ นอกเหนือจากกายก็ผิดหวังกับสิ่งที่นอกเหนือจากกายถ้าหากใจไม่มีธรรมใจไม่เป็นธรรมความไม่เป็นธรรมของของใจนั่นแหละมันายยึดความไม่เป็นธรรมของใจก็คือตัณหาตัณหาเป็นเหตุแห่งอุ ป, ปาทานนะท่านพูดเอาไว้ในหลักปฏิจจสมุปบาทตัณหาเป็นสมุทัยในใจของคนของสัตว ตันหาเป็นเหตุแห่งอุปาทานอุปาทานคื อ, อันการยึดเอาถือเอาสําคัญมั่นหมายเอาไปยึดเอาถือเอาโอกาสที่จะเข้าไปรู้หลักสัจจะธรรมว่าเป็นจริงในกายนั้นเข้าไปรู้ไม่ได้เพราะมันมีตัวตันหาขวางเอาไว้ทำให้เราเข้าใจทุกสิ่งที่อยากตามความเป็นจริงไม่ได้ เข้าใจตามความจอบปลอมของกิเลสที่มันเสกสรรตัน้นแตกให้เราเข้าใจตามมันเข้าใจแต่กลนแต่อบายแต่มายาของมันเข้าถึงหลักสักจธรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นหวังสิ่งไใดก็ปิดหวังกับสิ่งนั้นหวังสิ่งไใดก็ทุกข์กับสิ่งนั้นความหวังเข้าไปจากอานาจของสัญญาอารมณ์ไปยึดไปถือไปเกาะเกี่ยวไปผูกพันแล้วก็หวังหวังลมๆแรงๆ ร่างกายนี้พระพุทธเจ้าท่านส่งให้เราพิจารณาว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ความหวังของกิเลสที่มีอยู่ภายในใจมันบอกว่าร่างกายนี้ต้องไม่แก่ต้องไม่เจ็บและต้องไม่ตายสมหวังไหมมีใครสมหวังบ้างาผิดหวังสัตว์ทั้งหลายเมื่อมีความหวังจากกิเลสตัณหาพายเรานึกคิดยึดถือแล้วเราก็ผิดผิดหวัง เราเห็นจากาบรรพบุรุษของเราปู่เป็นย่เนาเป็นตาเป็นยายเป็นยติเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงอะไระอะไรที่ล่วงลับไปคนนั้นก็ล่วงลับไปคนนี้ก็ล่วงลับไปทุกคนต่างคิดว่าเราจะไม่แก่เราจะไม่เจ็บเราจะไม่ตายนี่แหละเจ็จแล้วก็ผิดหวังด้วยกันทั้งนั้นนี่มันพาเรายึดแต่ถ้าเราเข้าใจถูกต้องว่าร่างกายนี้เราต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตาย ความยึดมั่นหรือมั่นในกายนั้นมันก็เบาไปมันก็ผ่อนไปมันก็เบาไปมันก็จางไปร่างกายเปลี่ยนไปเป็นแก่ก็รู้แล้วเออมันต้องแก่ร่างกายเจ็บก็รู้แล้วว่ามันต้องเจ็บเวลาร่างกายใกล้จะตายก็รู้แล้วว่ามันจะต้องตายการรู้แบบนี้เป็นการรู้ตามหลักศัจธรรมรู้ตามหลักความเป็นจริงของมัน เพราะฉะนั้นความทุกข์จึงไม่ไม่ไปทับถมหัวใจนี่แหละความรู้อันนี้แหละเป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเอามาให้พวกเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรเทาความทุกข์เพื่อกําจัดความทุก ข, เกกข์เพื่อเข้าไปรู้สาเหตุต้นต่ออันเป็นมูลเหตุให้ใหเกิดความทุกข์คือกิเลสตัณหาอาสวะที่อยู่มีอยู่ภายในหัวใจขอ ง, ของเราของท่าน เราทุกคนทุกหัวใจหัวใจทุกดวงจึงมีความจําเป็นที่จะต้องศึกษาธรรมจะต้องปฏิบัติธรรมในโลกนี้เรามีความรู้อะไรไม่มากมายนะักคอยเรามีความรู้เรื่องธรรมเราก็พล่อยจะมีความสุขมีความชุ่มเย็นในหัวใจบ้างตรงกันข้ามเรามีความรู้อย่างอื่น ปริญญากี่ใบก็ตามด็อกเตอร์กี่สาขาแขนงก็ตามยังช่วยผคลายบรรเทาความทุกข์แค่การงานสรัพย์สินทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องกายเท่านั้นจะช่วยบรรเทาทำให้เราเกิดความเข้าใจและบรรเทาจากการยึดมั่นถือมั่นด้วยตังหารูปปาฏานไม่ได้ แต่ถ้าาผู้ที่เข้าใจเรื่องธรรมสามารถผ่อนคลายได้เพราะจิตใจศึกษาธรรมขีดใจเจาะละเอียดลึกเข้าไปถึงสาเหตุต้นต่อที่เป็นสมุทยัยคาว่าสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเอ ง, เ, องเรามีกายเป็นกองทุกข์เรามีใจเป็นกองทุกข์ทุกคนมีกายด้วยกันทุกคนมีใจด้วยกันแต่กายเป็นกองทุกข์เป็นผลคือความทุกข์ ใจเป็นกองทุกขเป็นผลคือความทุกข์สาเหตุที่ทําให้เกิดกายก็คือตัณหาอุปาทานสาเหตุที่ความทุกข์ไปพัวพันไปเกี่ยวข้องกับใจก็คือตัณหาอุปาทานเนื่องจากใจประกอบไ ป, ไปด้วยความลุ่มหลงที่ที่ที่เขาเรียกว่าโมหะโมหะคือความหลงความหลงตัวนี้มันปิดบงัง สติปิดบังปัญญาปิดบังศัจธรรมปิดบังความจริงในหัวใจของเราไม่ให้ใจของเราเข้าไปรู้เข้าไปเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงเราจึงถูกกลลวงของกิเลสปัญหาอาสวะนี่ลวงเราทุกวันคำว่าลวงก็คือหลอกนั่นแหละหลอกให้เราเข้าใจผิดเข้าใจผิดจนเป็นเห็นให้เรายึดเข้าใจผิดจนเป็นเห็นให้เราถือเข้าใจผิด จ น, นเป็นเหตุให้เราประสบความทุกข์ประสบความทุกข์อย่างมากเนื่องจะว่าปรารถนาแล้วไม่สมบวังสิ่งที่เราตั้งใจปรารถนาแล้วไม่สมสมหวมีความทุกข์มากมีความทุกข์ที่ใจแต่ความแก่นั้นเป็นความทุกข์ประจำกายความเจ็บนั้นเป็นความทุกข์ประจำกายความตายนั้นเป็นความทุกข์ประจำกายแต่ใจคือท้ารู้คือผู้รู้ เป็นสิ่งไม่ตายแต่ด้วยเหตุที่ผู้หูยังมีความรุ่มหลองอยู่ผู้หูจึงยึดมั่นถือมันด้วยตัณหนาดุปาทานเมื่อมีอุปาทานแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดภพภพคือที่เกิดเมื่อมีภพแล้วก็ก็จําเป็นจะต้องมีชาติคือจะต้องมีสัตว์ไปเกิดไปบัตสัตว์ที่จะไปเกิดก็คือหัวใจของเราของท่านนี่เอง ที่ยังปล่อยบางละตันหาอุปาทานยังไม่ได้ก็ไปเกิดให้พบภูมิต่างๆเหล่านั้นมีพบแล้วก็ต้องมีชาติคือความไปเกิดความไปเกิดกคือพวกเราเอาจิตผู้ที่ละธาตุละคันที่แหละไปจับจองใหม่ไปเกิดใหม่มีมีแล้วก็มีชาติมีชาติก็คือมีชีวิตขึ้นมาแหละเมื่อชิตเมื่อมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็มีทั้งรูป ปมมีทั้งนามธรรมมีทั้งรูปธรรมมีทั้งนามธรรมคือมีเกิดเมื่อมีเกิดขึ้นมาแล้วก็มีแก่ก็มีเจ็บก็มีตายแก่เจ็บตายนี่เก็เป็นรูปธรรมนะมีแก่มีเจ็บมีตายนี่คือรูปธรรมจากนั้นแล้วมีวิโยกมีพัดพระใจเป็นผู้วิโยกใจเป็นผู้พัดพระเพราะใจเป็นผู้รู้ รู้สิ่งนั้นรู้สิ่งนี้เป็นเหตุภายเราไปยึดสิ่งนั้นพาไปยึดสิ่งนี้ใจเป็นผู้วิโยควิโยคพัาดพลาดจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องจากเพื่อนจากฝูงจากบุคคลเป็นที่รักเป็นที่เคารพนับถือนี่ความวิโยคพัาดพราดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ที่เรียกว่าโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาต ปริเทวนาการทุกทรมานหัวใจเหี่ยวแห้งใจเหืออแห้งใจเราสังเกต ด, ดูความทุกข์ที่เกิดขึ้นในหัวใจเวลาเกิดขึ้นมากๆ ม, มันรู้สึกว่าเหี่ยวหดทดถอยในหัวใจนี่หมดอ่หมดอะไรทา ย, ยาทในความเป็นอยู่ในชีวิต จ, จิตใจบางคนถึงกับขาตัวตายพอมีนี่คือความวิโยก ค, ความอัดปรา ควาทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงต่างๆเหล่านี้ก็ตามมาเป็นพร่วนเป็นแนวเป็นแถวเราลองยอง้ยอนไปเราลองย้อนไปว่าความทุกข์ความพิโยธความรักข้าทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากอะไรก็เกิดขึ้นมาจากชาติที่เรามีมีพบที่จะต้องไปเกิดในนั้นพบมาอย่างไรก็มาจากอุ ป, ปาทานอะไรเป็นเหตุให้แห่งอุ ป, ปาทานอะไรเป็นตัวพาให้เราเกิดอุ ป, ปาทานไปยึดไปถือ ด้วยอำนาจความสำคัญผิดเข้าใจผิดตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดุป่าทานอะไรเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาตัวนี้มันมีทั้งตัณหาตัวเก่าและเขามีทั้งตัณหาตัวใหม่ตัณหาตัวเก่าก็คืออนุัยอนุสใสกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตในในจิตสันดานนั่นแหละ ตัณหาตัวใหม่ก็คือตัณหาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัสกับสิ่งภายนอกรูปเชยงกลิ่รถตัวสภาะธรรมารม์แล้วเกิดความยินดีบ้างเกิดความยินร้ายบ้างยึดเอาถือเอาด้วยสำคัญมั่นหมายด้วยอุปาทานนี่เรียกว่าอุปาทานเกิดจากตัณหาตัณหาก็เกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดชื่นจากอายตนะตาเห็นรูปตาอายตนะภายในหูอายตนะภายนอกกระทบกันเข้า ยินดีเกิดยินดีพอใจก็ยินดียึดเข้ามาไม่พอใจก็ยินร้ายผลักออกไปทั้งยินดีมันก็เสกสรรปั้นแต่งให้เราเข้าใจผิดทั้งยินร้ายมันก็เสกสรรปั้นแต่งให้เราเข้าใจผิดเข้าใจผิดจากหลักความเป็นจริงเข้าใจถูกเป็นยังไงเข้าใจถูกต่อเมื่อผู้นั้นได้ยินได้ฟังทมได้ศึกษาทำได้ปฏิบัติธรรมและเข้าไปถึงเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปเข้าใจเรื่องสัจจ ที่เรียกว่า ห, าหลักของสัจธรรมนะ iya. เขาเจอเรื่องหลักของสัจธรรมแล้วจิตก็ ย, รรมยอมรับโอ้สัจธรรมที่แท้จริงภาวะต่างๆเหล่านี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เราต้องการให้มันมีหรือไม่ต้องการให้เขามีเขาก็มีอยู่เป็นอยู่ตามภาวะของเขาจิตเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปเข้าใจอย่างนี้จิตก็อยอมรับเออใช่มันมีอยู่อย่างนี้จริ ง, รงเป็นอยู่อย่างนี้จริงเนี่ยจิตก็เริ่มเริ่มรู้เริ่มเข้าใจ ตัณหาอุปาทานมันก็เริ่มก็เริ่มหดหัวลงไปเพราะเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกนอุบายวิธีของมันมันก็มามันก็ห่างออกไปจากทุกข์ของเราความทุกในใจเราก็ปลอยเบาไปปลอยบางไปตัณหาก็ปลอยเบาไปบางไปอุปาทานก็ปลอยเบาไปบางไปความทุกในใจก็ปลอยเบาไปบางไปนี่คือการเข้าไปรู้ตามหลักความเป็นจริง เหตุมันเกิดขึ้นเป็นเป็นเส้นเป็นสายอยู่อย่างนี้อายตนะก็มาจากการสัมผัสนะสัมผัสก็คือตาเห็นรูปก็คือไปสัมผัสรูปหูไปสัมผัสเสียงใจอยู่เฉยๆไปสัมผัสอะไรเรานั่งหลับตาอยู่ใจมันน้อมนึกถึงอารมณ์อารมณ์ที่มันล่วกไปแล้วจากที่ได้ยินได้เห็นได้ฟังได้อะไรต่ออะไรมันลวกไปแล้วมันกลายมันตกไปเป็นตกผลึกไปในหัวใจของเราเป็นสัญญาอารมณ์ เวลาหลับห <elet> ูหลับเวลาหลับตาอารมณ์ต่างๆเราเนี่ก็โผล่เข้ามาอารมณ์ต่างๆเราเนี่ก็โผล่มาเราไม่ได้ยินเราไม่ได้เห็นเราไม่ได้ยินเราไม่ได้สัมผัสอย่างอื่นแต่ด้วยเหตุที่ใจสัมผัสใจอารมณ์ที่มันล่วงไปแล้วใจไปสัมผัสอารมณ์ที่ล่วงล่วงไปแล้วอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วก็ตกผึกอยู่ในหัวใจในลักษณะของเวทนาสัญญามันเกิดขึ้นจากสังขาร มันเกิดขึ้นจากวิญญาณสิ่งต่างๆเหล่านี้ทํางานประสับ ป, ประสานกันอยู่ทุกระยะทุกเวลาทํางานทีไรก็กระเทือนถึงกันทํางานทีไรเมื่อไรก็ประสับ ป, ประสานกันกระเทือนถึงกันเนี่ยเลยเป็นเหตุเลยเป็นเหตุให้เกิ ด, กดสัมผัสเนี่ยผัสสะ อ, อายตนะภายนอกอายตนะภายในหรืมาจากอะไรก็มาจากรูปมาจากนาม ามาจากโลกนัวิญญาณาวิญญา ณ, ว, ญญาณาาวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามโลกวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามโลกนามก็คือสิ่งที่มีแต่ชื่อมองไม่เห็นสัมผัสสัมพันธ์ไม่ได้แต่ใจสัมผัสได้นามก็คือใจนั่นแหละคือทารู้คือผู้รู้ทารู้นี่มีอยู่ในโลกมีอยู่ประจําโลก ธาตุนามรูปก็มีอยู่ในโลกมีอยู่เป็นอยู่ประจําโลกมีอยู่เป็นอะยู่ประจําโลกวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามและรูปคือเป็นปัจจัยเกิดกายเป็นปัจจัยเกิดใจนะวิญญาณ วิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปวิญญาณเพราะฉะนั้นวิญญาณตัวนี้เป็นวิญญาณที่มีกิเลสจึดถึงยึดครอจึงจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดนามและรูปยังเป็นวิญญาณที่ยังไม่บริสุทธิ์จะต้องไป ถือกำเนิดเกิดที่นู่นที่นี่เกิดพบนั้นพบนี้ไม่มีไม่มีจุดจบไม่มีที่จบอันเกิดมาจากสังขารเนื่องจากมามีสังขารปรุงมีสังขารแต่งสังขารก็มาจากอวิชชาเพราะฉะนั้นในเมื่อเราตั้งต้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทท่านบอกว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารอวิชชาตอนนี้คือความไม่ฉลาดความไม่รู้ความลมลพิมของัธุจิของเราเอง คือความไม่ฉลาดของผิตของเราเองความไม่รู้เท่าทันในคนในอบายในวิธีของที่เป็นอายตนะผัะอะไรอะไรของตัวเองแหละแล้วก็ได้ได้สัมผัสทางตาปัก็ยึดยึดผิดผิดได้สัมผัสทางหูทางจมูกทางลิ้นก็ยึดผิดผิดเห็นผิดผิดได้ยินผิดผิดได้กลิ่นก็ยึดแบบผิดผิดสัมผัสก็ยึดผิดผิด ยึดผิดตามที่มันเสกสรรให้เราเยอะนั่นแหละเพราะมันมีกิเลสอยู่ภายในนั้นตัวกิเลสตัวนี้ตัวนี้ก็คือตัวความอยากคือที่จะเรียกว่าตันหาตันหาคือความอยากความอยากนี้เราดูไปที่ใจเราจะเห็นนะมันดีดมันดิ้นที่จะเรียกว่าตันหาคือความดิ้นรนความทะเยอทะยานของจิตจิตมันดิ้นรนมันทะเยอทะยานมันจะยืนนิ่งไม่ได้ มันดิ้นนตรียร์ทยานตามนะของความอยากตัญหาคือความอยากความอยากนี้ถ้าเราหยาเดทียบก็เหมือนกับว่าเราอยากข้าวเราผิวข้าวอยากนา้ํำหิวน้ําอยากสัมผัสสัมพันธ์ก็ต้องการความสัมผัสสัมพันสอยากทําน้นอยากทำนี้อยา ก, อ, ยากอะไรสารพัดตร น, นี้เรามาใช้คําว่าความอยากในที่นี้ก็คือความผิวกิเลสพาหิวนะฮะความอยากความอยากก็คือความผิว ความอยากก็คือกิเลสกิเลสมันพาหิวความอยากภายในใจมันหิวอะไรหิวอารมณ์นะเป็นรสเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นอะไรสารพัดอันนี้เป็นเป็นรสชาติของการเข้าไปสัมผัสอรสชาติของการเข้าไปสัมผัสเป็นลิน้นลิ้นเข้าไปสัมผัสวัตถุอย่างใดอย่างหนึง่งเออเลยทราบรสรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มอ่าเปรี้ยวก็ตามหวานก็ตามมันก็ตาม เมื่ได้รับรสแล้วก็ยึดยึดอันนั้นแหละ ย, ยึดรสต่างๆเหล่านั้นแหละนะดีใจก็ยึดเข้ามาไม่ดีใจก็ผลักออกไปทั้งดีใจทั้งไม่ดีใจมีค่าเท่ากันเนื่องจากว่ามันแปลให้เราผิดมันแปลให้เราผิดทําให้เราเข้าใจผิดทําให้เราเข้าใจหลักธรรมชาติผิดใจผู้รู้ก็พายยึดผิดถือผิดเข้าใจผิดสําคัญผิดอยู่อย่างนี้แหละวนเวียนย้ําไปย้ํามาเหมือนเหมือนบวช ย้ำรอยเท้าหัวที่ย้ำอยู่ในข้อเลยย้ำไปย้ำมาย้ำมาย้ำไปอย่างนี่พวกเราก็เลยเกิดเกิดตายเกิดตายตายเกิดตายเกิดเกิดตายเกิดตายน้หลงพบหลงชาติของตัวเองไม่รู้จบจบไม่มีที่จบเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าวัฏฏสงสารที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจหลักของปฏิจจสมุปบาทจะทำให้วัฏฏสงสารของเราเนี่ยยืดยาวไปไม่มีที่จบไม่มีจุดจบและวัฏฏสงสารเนี่ยยิ่งพัฒนาไปเท่าไหร่ กองทุกข์ในหัวใจก็พัฒนาไปท่านั้นก็เราดูแต่วิธีการทํางานของมันมันหลอกเราหลอกเราเชื่อหลอกให้เราชอบหลอกให้เราไม่ชอบตามอํานาจของมันมันมีจุดจบที่ไหนไม่มีจุดจบถ้าเราไม่เอาธรรมะเข้าไปเข้าไปจับแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่มีจุดจบหลงพบหลงชาของตัวเองจะร่ำไปสิ่งที่เราไม่ต้องการคือความทุกข์มันเกิดอยู่นั่นแหละบางทีก็จนด้วยสติจนด้วยปัญญา ต้องทนทุกข์ทรมานต้องทนแบกทนหามกับภาวะที่ทําให้เกิดความทุกข์ต่างๆแล้วนะอยู่เนืองๆ อ, อยู่เป็นเนืองเป็นนิดไปเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์จากนั้นแล้วก็มาก่อทุกข์ก่อเขียนให้กับกันและกันอีกต่างหากทุกแบกหามาตามหลักธรรมชาติแล้วก็ไม่พอก็ไปก่อทุกข์กรโทษก่อเวนกรภัยให้กับกันอีกทั้งหลายทั้งหลายต้องพูดให้แก่ให้แก่กันและกันอีกอันสืบเนื่องมาจากตัวความอยากตัวเดียวนี่แหละ ตัวความอยากตัวเดียวนี่จึงเป็นตัวเจ้าโลกเป็นตัวครองโลกความอยากเป็นพลังของใจมีอยู่ภายในใจเราพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าความอยากทั้งหมดแล้วเป็นกิเลสความอยากไหนก็ตามที่ทําให้เราอมีความเห็นปีนเกลียวกับธรรมอพาให้เราถือพาให้เราประพฤติพาให้เราปฏิบัติผิดจากหลักของศีลผิดจากหลักของธรรมผิดจากขนบธรรมเนียมประเพณีอ กติตัวอย่างบราณโบราณพายึงพาถือมีความอยากที่ปิดเบี่ยงกับสี่ต่างๆเหล่านี้แล้วก็ทําลงไปความอยากอันนั้นเป็นความอยากของกิเลสความอยากใดๆเขาตาม ท, าที่ทําให้เราเป็นไปตามธรรมเป็นไปตามวินัยเป็นไปตามขนบธรรมเนียมกฎระเบียบทั้งหลายทั้งปวงที่โบราณอาจารย์หรือบรรพบุรุษตั้งเป็นกฎเป็นเกณฑ์ขึ้นมาไว้เพื่อให้เราได้ยึดได้ถือได้ปฏิบัติตาม ความอยากประพฤติปฏิบัติตามสิ่ต่างๆเหล่านี้เป็นความอยากโดยธรรมทั้งว่าเป็นมากเป็นมากเพรา ะ, ะนันความอยากเกิดขึ้นในใจเราก็ดูไปที่ว่าเออความอยากนี้ขัดสิทธิ์ไหมมันพาไปอยากรักทรัพย์ไหมมันพาอยากฆ่าสัตว์ฆ่าคนฆ่าอะไรที่เราไม่ชอบใจที่เราเครียดแค้นให้ไหมมันพาไปผิดลูกผิดเมียของเขาของใครไหมนี่ถ้าผิดก็คือ ถ้าถ้าพาไปผิดเรื่องผิดสีลผิดธารมก็เป็นเรื่องของกิเลสเรารู้ได้เลยว่านี่เป็นเรื่องของกิ ite, เลสมันเป็นผิดเป็นส่งศ์ถ้าเราต้องการจะลดจะละเราก็ลดเราก็ละล้วก็ผ่อนเราก็คลายแล้วก็ถอดถอนไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปผูกพันแต่ถ้าหากเป็นเรื่องความอยากให้เราอยากให้เราให้ทานอยากให้เรารักษาศีลอยากให้เรานั่งสมาธาิภาวนาอยากให้เดินจงกรมอยากให้ศึกษาธรรมอยากให้ปฏิบัติธรรม อย่าให้สร้างคุณงามความดีตามหลักตาหลักของศีลของธรรมความอยากอันนี้ท่านบอกเป็นมากให้รีบยึดให้รีบถือให้รีบปฏิบัติตามให้รีบให้รีบธรรมให้เกิดมีผลเมีนิสงในหัวใจของเรานี่คือความอยากพลังของความอยากนี่แหละมาจากกระแสของความรู้ที่มีอยู่ในหัวใจของเราความอยากตัวนี้เมื่อเราชาระจนหมดความอยากแล้ว ผู้รู้อันประกอบไปด้วยความอยากก็ขาดออกจากกันเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์ผู้รู้ที่มีความอยากเข้าไปเกี่ยวข้องมันเป็นผู้รู้ที่ไม่บริสุทธิ์บรรดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมีขึ้นในโลกเนี่ยมีอันเดียวมีหนึ่งเดียวไม่เป็นสังขารแต่ถ้ามีอีกสิ่งหนึ่งไปเกี่ยวข้องปั๊บกลายเป็นสังขารขึ้นมาคาว่าสังขารคือสิ่งประกอบ คือสิ่งประกอบเมื่อประกอบกันเข้าไปแล้วสังขาราก็จะต้องปรุงจะต้องจ ะ, จะต้องปรุงจะต้องแต่งอาจจะต้องทํางานประสพประสานกันไปไม่มีการหยุดยั้งอยู่กับที่ไม่มีการหยุดยังยยดย้งอยู่กับที่เพราะฉะนั้นจิตของเราที่ประกอบไปด้วยสังขารเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่ อ, อไรตอนไหนก็ไม่ทราบเกิดขึ้นมาพร้อมกับความอยากจึงกลายเป็นว่าจิต มีสังขารจิตเป็นสังขารที่ทเียวว่าสังขารที่จิตกับปรุงไปปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงกลางกลางบ้างปรุงไปอยู่อย่างนี้ไม่มีจบไม่มีสิ้นสังขารปราภาปรุงสังขารพาปรุงสังขารไม่เคยหยุดยั้งอยู่กับที่สังขารเวลาไปประกอบกันแล้วก็ทำงานระสระสานกันไปไม่มีหยุดหยุดยั้งอยู่กับที่เราดูแต่สังขารพ่อกับสังขารแม่ประกอบกันในท้องแม่ ธาตุทาทของพ่อกับธาตุของแม่ไปประสัดประสานกันก็ตั้งเป็นกองสัง ข, ขารขึ้นมาในท้องแม่หลังจากไปประกอบกันแล้วตั้งรวมกันขึ้นมาแล้วมีวิญ ญ, ญาณเข้าไปจับจองไปเกี่ยวข้องสังขารต่างๆนั่นก็ไม่มีการหยุดอยู่ที่เจริญก็ไปเรื่อยเจริญก็ไปเรื่อยเปลี่ยนตัวเองเข้าไปเรื่อยเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาตัวเอ ง, ของเข้าไปเรื่อยเปลี่ยนเข้าไปเรื่อยเปลี่ยนเข้าไปไม่มีการหยุดยั้งหยับที่หรือไม่เราก็ดูไปที่ยอดอ่อนของไม้เช่นอย่างผลไม้เนี่ย ต้นไม้มะม่วงะมะม่วงหลังจากพอกินเนื้อกินอะไรเสร็จหมดแล้งเหลือเหลือเมล็ดมะม่วงมันได้ความร้อนมันได้ความอบอุ่นมันได้ความชืน้นมะม่วงนั้นก็จะเริ่มนอของมะม่วงตัวนั้นน่ะยอดอ่อนของมะม่วงตัวนั้นก็จะเริ่มแตกแตกแล้วค่ยค่อยยืดออกมาค่อยค่อยยืดออกมามีดินเขาก็ยังรากลงไปที่ดินเขาจะไม่มีการหยุดอยู่กับที่เมื่อมีดินมีไอ น้ำมีอะไรแต่อะไรแล้วก็แทรกลงไปในดินจากนั้นก็เริ่เจริญมีรากมีลําต้นมีใบมียอดมีอะไรตัวอะไรเขาไม่มีการหยุดยั้งอยู่กับที่เปลียปลยปล่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเราดูง่ายๆที่ที่ผอมบนบนศรีรษะเราเนี่ยเช่อนอย่างพระท่านโกนวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยบนบนบนศรีรษะมันก็ยืดเข้ายืดเข้ายืดเข้ายืด ภาวะของของผมเนี่ยมันจะไม่นิ่ง<ห>มันจะไม่อยู่กับที่ความไม่อยู่กับที่นั่นแหละคือมันผ่านมาด้วยการปรุงด้วยการแต่งอันเป็นเรื่องของสัมผาสจะไม่มีการอยู่กับที่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าความไม่คงที่ความไม่อยู่กับที่นั่นแหละเป็นทุกข์ขนด้วยเหตุที่ไม่อยู่ที่ไม่คงที่ไม่อยู่กับที่มันเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลนั้นนั้นแหละเป็นอนิจจังทั้งทุกขงังทั้งอนิจจังเป็นภาวะของธรรมชาติไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชามันได้พระฉพุทธิยา้าทรงตรัสว่านี่คืออนัตตาอนัตตาใครจะบังคับบัญชาไม่ได้อตตาแปลว่าตัวตนอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนด้วยเหตุที่เราไปบังคับบัญชาไม่ได้ท่านจึงว่าอนัตตาอนัตตาอลองเราไปบังคับบัญชาให้ผิดไปจากกฎจากเกณฑ์มัน บังคับบัญชาไม่ได้เพราะว่อันนี้หลักอันนี้เป็นหลักมีอยู่ในโลกมีอยู่ประจําโลกถ้าให้เราศึกษาทมเรียนรู้ท ำ, รทำประพฤติทำปฏิบัติทำเพื่อให้เห็นสิ่ง ท, ที่ที่มีความเปลี่ยนแปลงทําไม่คงที่แล้วก็เป็นสิ่งที่บังคับบัญชาอันนี้ไม่ได้นี่เองให้เราเห็นเห็นอนิจจังหเห็นทุกขงังและเห็นอนัตตาเพื่อให้เราเกตเพื่อให้เราหลาวเพื่อไม่ให้เราตายใจกับ โรคประทามนี้เพื่อไม่ให้เราตายใจกับนามธรรมนี้มันจะได้ย้อนมาที่จิตจิตนี้ก็จะได้เป็นตัวของตัวจิตจะได้เป็นอิสระจะได้ใช้สติใช้สัมผััญญะพิจารณาสอดสองกำหนดดูให้เกิดความรู้เกิดความใจละเอียดยิบขึ้นไปเพื่อเพราะเพื่อเจอสาเหตุต้นต่อที่จะเรียกว่าสมุทยัยสมุทัยที่แท้จริงย้อนองไปย้อนลงไปย้อนลงไปก็เห็นมีอยู่ที่ใจของตัวเองแหละมันไม่มีอยู่ที่ไหน สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์กิเลสเกิดที่ใจสมุทยัยเกิดที่ใจสมุทใจสมุทัยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่แหละเกิดที่ใจ ม, มีอยู่ที่ใจตั้งอยู่ที่ใจนะเกิดดับเกิดดับอยู่ที่ใจนี่คือตัวสมุทัยคือตัวตัณหานี่ยแหละกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเป็นตัวสมุทยัยคําว่าสมุทัยคือแดนเป็นเกิดเป็นที่เกิดแห่งทุกข์หรือว่าเหตุให้เกิดทุกข์ กิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กิเลสก็คือกิเลสก็คือสมุทัยนะี่สมุทัยคือกิเลสกิเลสคือสมุ ท, ทยัย<ม>เป็นเหตุให้เกิดกายกายนี้เป็นทุกข์ทุกข์นี้เป็นผลจิต ท, ที่ประกอบไปด้วยสังขารสังขารสังขารที่มีอ ย, ยู่ภายในจิตอันนี้เป็นผลจิตเรียกว่าเป็นผลมันมาจากเหตุเหตุเข้ามาคือสมุทัยนี่แหละ เลยมันเป็นมันเป็นเหตุหลักดันให้มีรูปอธรรมเป็นเหตุหลักดันให้มีนามอธรรมทําทให้มีเราทําให้มีท่านทาให้เราเข้าใจผิดสําคัญผิดยึดผิดถือผิดจนเป็นเหตุประสบพบเห็นกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเต็มไปหมดนี่อันเกิดขึ้นจากพระบรมศาสดาสัมมาสัพพุติเจ้าที่ท่านเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ด้วยบุญญาบารมีและได้มาตรฐารู้รู้ด้วยพระองค์องเองรู้ตามหลักของอริยสัจ ท, ทั้งสี่ โดยไม่มีใครบอกโดยไม่มีใครสอนผู้ที่บอกที่สอนที่เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เราองค์รู้ได้ก็คือบุญญาบารมีที่สั่งสมบรญมีเองโดยมีใจการุณต่อสัตว์อยากพาสัตว์ทั้งหลายทั้งพวกข้ามพ้นจากวัฏสงสารคําว่าวัฏสงสารนี่ก็คือความวนท่องเที่ยววนแล้วก็ท่องเที่ยว ความวนกับความท่องเที่ยวก็คือเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วแก่ก็เจ็บก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็เก็บก็เจ็บก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็แก่ก็เจ็บก็ตายนี่ทันเดียกว่าสังสารวัตรสังสารวัตรเมื่อสรุปไปที่หลักย่อยๆก็คือกิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมเมื่อทํำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปแล้วก็เป็นพิบากคือผลของกรรมอันนี้แหละ ท่านเรียกว่าวัตตะวนวัตตะผลวัตตะวัตตะก็คือความวนนั่นแหละกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสเป็นเหตุให้ทากรรมทําอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปก็เป็นกรมรมกรรมนั้นก็กลายเป็นวิบากกรรมกิเลสกรรมมวิบากกิเลสกรรมวิบากทําไมเราจะพ้นจากวัตตะวนไดทน้ท่านสอนให้ตัดกิเลสท่านสอนให้ตัดกิเลสเหมือนอย่างวงกลมๆนี่เราเราเดินไป เราเห็นวงกลมๆความกลมไม่มีท so ี่สุดไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีเริ่มต้นแล้วก็ไม่มีที่สุดเพราะมันเป็นเส้นรอไปเรื่อยๆถ้าเผลือกมดมดแดงมันไตยอย่างลุงตาท่านบอกมันไตขอบกระดงไตขอบกระดงมันไตย็ตายไม่สุดเพราะมันไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายมันกลมๆมือนขอบกระดองเราก็ตายอยู่นั้นไม่รู้ไม่รู้เบื้องต้นไม่รู้เบื้องปลาย ม่รู้เบ้องต้นม่รเบื้องปลายเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วเกิดเกิดแก่เจ็บตายไม่มีจบไม่มีที่จบเพราะฉะนั้นทําไมเราจะไม่เกิดเราจะไม่เกิดเราจะต้องตัดกิเลสพระองค์สอนสอนให้ต네ัดกิเลสเมื ing, ่อเราตัดกิเลสมันก็เกิดเบื้องต้นมันเกิดเบื้องปลายในระหว่างที่เราเริ่มตัดมันก็จะมีเบื้องต้นมีเบื้องปลายเบื้องต้นคือเริ่มเดินไปเดินไเดินลงไปไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยมันก็สุดได้ อ่านี่การเริ่มหัดตัดการเริ่มตัดเลยเป็นเหตุให้วัตตาสุขสารเราของเราเนี่ยสั้นเขา้าสั้นเขา้าสั้นเขา้เขาในสุขหมดได้หมดได้ระะการเริ่มเรียนรู้ศึกษาทำปฏิบัติทำ<ม>เพื่อมารู้นาฏาของกิเลรเพื่อชำระกิเรให้เบาบางให้หมดปิจารณใจของเราจรึงเป็นหนทางเป็นวิธีทางที่ปฏิบัติเพื่อความพ้นจากทุกอย่างแท้จริงพวกเราเป็นผู้มีโอกาส ากโอกาสถึงพร้อมแล้วทั้งคนตางตั้งอกตั้ ง, งใจมันประมาทตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญภายในหัวใจแห่งตนแหงตนอ่าเอาละพอทุกงคนกีนมเวลา